เรื่องการต้อนรับแขกเทวาเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณกลางฤดูหนาวของปีพุทธศักราช 2,490 ในคืนหนึ่งเวลาประมาณหนึ่งถึงสองทุ่มเป็นเวลาที่ท่านพระอาจารย์กำลังให้อวาดเกสานุสิ์มีทั้งเก่าและใหม่ขณะให้โอวาดอยู่ท่านหยุดไปครู่หนึ่งกลั้นใจอึดหนึ่ง กมนานิดนิดพอเงยหน้าขึ้นมาก็โบกมือบอกว่าเลิกกันปกติแบบนี้มีไม่บ่อยนักสิทธ์ก็งงนั่งเฉยอยู่ท่านย้ำอีกบอกเลิกกันไม่รู้ภาษาหรือไม่มีใครคิดอะไรบอกเลิกก็เลิกท่านสั่งผู้เล่าเชิงบังคับให้รีบเก็บของเข้าห้องเสร็จแล้วให้กลับกุฏิ มีภิกษุบางรูปเฉลียวใจไม่ยอมนอนพักรอที่กุติของตนพอสมควรแล้วย้อนกลับมามองที่กุติของท่านพระอาจารย์เห็นกุติของท่านสว่างสวัยไปหมดคิดว่าไฟไหม้กุติแต่ดูไปแล้วไม่ใช่แสงไฟเป็นแสงใสนวลนวลคล้ายปุ๋ยสัมฤทแต่ใสดูตั้งนานไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยกลับกุติ รุ่งเช้าขึ้นมาท่านลุกขึ้นกระทำสรีระกิจตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตกค่ำถึงเวลาให้โอวาสวันนั้นท่านแสดงเรื่องทุกกะคือหมวดสองว่าสมเด็จพระมหาสมนาเจ้ากรมพระยาวชิรายานนวโรรสให้ชื่อว่าโลกะปาลธรรมทมอันคุ้มครองโลกในนวโกวาด คำว่าโนวาโกวาตท่านปลให้ฟังว่าคือโอวาดสอนพระใหม่พระเก่าก็สอนได้ไม่ใช่ว่าสอนแต่พระใหม่วันนั้นดูท่านอธิบายเรื่องนี้เต็มที่ถึงสองชั่วโมงเต็มมีเหตุผลอุปมาอุปไมโดยยกเอาท่านพระมหากัสสปะเป็นอุทาหรณ์ที่พระพุทธเจ้าประธานอุปสมบทแก่พระมหากัสสปะเป็นพิเศษที่ว่า ดูก่อนกัสปะเธอจงเข้าไปตั้งความละอายและความเกรงกลัวคือเคารพในเพื่อนพรหมจารีทั้งเก่าและใหม่เป็นตัวอย่างยกมาเป็นนิทัศนอุทาหนตอนสุดท้ายท่านแสดงอนิสง์ว่าผู้ตั้งอยู่ในฮิริและโอต ป, ปะเป็นที่รักของมนุษย์เทพพรหมทั้งหลายและทำให้มีอายุยืนด้วยเหมือนท่านพระมหากัสปะ พอได้เวลาท่านก็หยุดพักคืนนั้นพวกเข้าเวนมีผู้เล่าท่านวันคือพระอาจารย์วันอุตโมท่านล่าพระอาจารย์ล่าเขมาปโตท่านเลยเมตตาเล่าเพิ่มเติมให้แก่พวกเราฟังอีกว่าเมื่อคืนวานนี้พอเทศให้หมูฟังไปหน่อยหนึ่งมีเทพตนหนึ่งชื่อปัญจสิกขามาบอกว่าวันนี้จะมีเทพจากชั้นดาวดึง มาฟังธรรมจากท่านข อ, อนิมนต์ท่านเตรียมตัวรับแขกเทวาพอกำหนดได้ก็ไล่หมูหนีทันทีเพราะพวกนี้เขาจะมาตามกำหนดถ้าเลยกำหนดเขาจะไม่รอท่านว่าเทวาพวกนี้มีประมาณห้าแสนตนเพิ่งจากโลกมนุษย์จากเมืองไทยไปผู้เล่าสงสัยว่าวัดป่าบ้านน้องผือก็แค่นี้ มีตป่าเทวดาห้าแสนตนจะอยู่อย่างไรคนแค่ร้อยสองร้อยก็ไม่มีที่จะอยู่แล้วท่านพูดว่าเทวดาพวกนี้มีกายเป็นทิพย์ท่านยังพูดเป็นภาษาบาลีในธรรมบทว่าอันตาลิเเขแปลด้วยว่าในห้วงแห่งจักรวาลมีอากาศมีช่องว่างเป็นที่ซึ่งจะเห็นรูปทั้งหลาย ปรากฏว่ารูปแผ่นดินต้นไม้ภูเขาไม่มีทั้งสิน้นมีเทวดาเท่าไหรบรรจุได้หมดไม่มีคำว่าเต็มท่านว่าท่านพระอาจารย์กําหนดถามว่าพวกท่านต้องการฟังธรรมและมีวัตถุประสงค์อะไรเขาตอบว่าอยากฟังสุขธรรมสูตรมีวัตถุประสงค์คือเทพบางพวกทำบุญน้อย ได้ฟังสุกธรรมสูตรจะได้สวยทิพยาสมบัตินานๆท่านเฉลียวใจว่าอะไรคือสุกธรรมสูตรพวกเทพว่าพระสูตรนี้มีน้อยองค์นักที่จะได้แสดงให้เทพฟังเว้นพระสัพพัญญูและพระอาัคารส า, าวกเท่านั้นท่านกำหนดพิจารณาก็ได้ความปรากฏขึ้นว่า อิริโอตตาสัมปันาเปสันโตสปุริสาโลเกเทวธรรมมาติวุจเรท่านอุทานในใจว่าอ๋อเทวธรรมนี่เองคือสุขธรรมสูตรของเทวาหมายเหตุผู้บันทึกเสียงในประโยคบาลีเวลาเขียนจะมีคำว่าเปคือปัญา น, น้อยเปปัญา น, น้อย หมายถึงไปยาละคือการละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับพอเริ่มจะอธิบายก็ได้ยินเสียงแววมาว่าเดี๋ยวก่อนข้าพเจ้าจะเตือนพวกเทพพวกนี้ก่อนเพราะเขาไม่เคยมาฟังยังไม่รู้ธรรมเนียมท่านกำหนดเห็นพระนางสุชาดานั่งเป็นประธานส่วนเสียงที่ปรากฏนั้น เป็นเสียงของเท้าสักกะดูแลอยู่เบื้องหลังพอได้เวลาก็าได้ยินเสียงแววมาอีกว่าพร้อมแล้วท่านก็เริ่มเทศอธิบายด้วยการกําหนดจิตพิจารณาเนื้อหาสาระแห่งธรรมเพียงพอแล้วหากพวกเทพเข้าใจเขาจะให้เสียงสาธุ ก, การถ้าไม่เข้าใจเราอธิบายเขาจะไม่ยอมต้องว่ากันใหม่สอนเทพสบาย ไม่ยากเหมือนสอนมนุษย์มนุษย์ต้องใช้เสียงโวโวเวเวลั่นไปหมดพูดมากก็เหนื่อยและสอนบ่อยปานนั้นยังเข้าใจยากสอนเทพสบายกว่าท่านว่าอย่างนั้นหมายเหตุผู้บันทึกเสียง เรื่องนี้อยากฝากไว้ให้ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพระภิกษุถ้าคิดจะสร้างอะไรให้คนกราบไหว้ควรคำนึงถึงความจริงและหลักสำคัญที่ควรไหว้เพื่ออะไรให้ตรงพุทธธรรมด้วยนะครับการสอนคนให้กราบไหว้แบบวังพึ่งพิงบนบานแถมยังเป็นเทพนอกศาสนาหรือสิ่งที่ไม่มีใครยืนยันตัวตนว่ามีจริงได้ครูบาอาจารย์ท่านว่าเป็นการนรคุณพระศาสดาและถือว่า กำลังเอาตัวเองออกนอกเขตพระศาสนาจะต่างอะไรกับดีระถีคนนอกศาสนาเราะสอนและทำสิ่งที่ขัดแย้งกับคำสั่งพระศาสดาพระพุทธเจ้าทรงจุติลงมาเพื่อตรัสรู้เพื่อดึงคนให้ออกจากความงม ง, งายหรือการหวังพึ่งสิ่งภายนอกให้หันมาพึ่งตนและตั้งมันน่นศรัทธาในหลักกรรมแต่นักบวชส่วนหนึ่งกลับดึงคนให้ตกต่าทางจิตลงขวางการบรรลุธรรม เพราเป็นสังโยชน์ข้อสําคัญคือศิลปฏิต์ปราปรมาตถถ้าจะสอนและทําแบบนั้นท่านว่าไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีศาสนาพุทธก็ได้เพราะเรื่องพวกเนี้ยคนงมงานและยึดถือกันมาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วศา ส, สนาพุทธที่มีความแตกต่างจากศาสนาอื่นโดยสิ้นเชิงก็เลยกลายเป็นถูกมองว่าไม่ต่างกันและมีผลให้คนเสื่อมศรัทธาและที่ยังศรัทธาก็ไปผิดทางจนยากจะรู้ตัวนะครับ เรื่องเทพของบางศาสนานั้นคนศาสนาเขาเองในระดับสูงเขายังรู้เลยนะครับว่าเป็นเพียงกุศโลบายสอนคนที่ยังเข้าถึงนมามธรรมไม่ได้ให้อย่างน้อยได้มีอะไรไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่หลักสำคัญคือการทำดีสร้างกุศลและพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์ให้มีเมตตาสูงสุดแต่วัดไทยจำนวนหนึ่งกลับยังเข้าใจ และปฏิบัติไม่ได้ครึ่งแม้หลักสำคัญขั้นสูงของคนนอกศาสนาค่อนข้างแปลกใจนะครับว่าเทวดาของพุทธมีจำนวนมากที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงแม้ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่มั่นก็พูดถึงและยังมีพระอรหันต์ผู้เด่นในด้านต่างๆอีกมากที่ควรนำมาปั้นให้บูชาอย่างน้อยก็ยังได้ระลึกถึงสังฆคุณหรือเป็นเทวานุสติกรรมฐาน ซึ่งน่าจะส่งผลดีกว่าที่ทําอยู่ตอนนี้มากพระอระหรันตละองค์มีความชํานาญความเก่งแตกต่างกันก็ชูจุดเด่นไปว่าใครอยากเก่งเหมือนท่านก็ไหว้บูชาท่านเพื่อจะได้ดีตามรอยท่านไหว้แบบเคารพความดีท่านเห็นท่านเป็นแบบอย่างเพื่อความเพียรทําตามอย่างท่านไม่ใช่ไหว้แบบหวังอยากได้อะไรลอยๆซึ่งแบบบนนนีี้จะะะะดกัพระสะสรศะยะยาาสใยยว กว่าการทำลายศาสนาทางอ้อมด้วยการปั้นเทพนอกศาสนาหรือเอาอะไรมาให้คนกราบไหว้ที่นอกเหนือไปจากพระรัตนตรัยนะครับหรื อ, อยังน้อยถ้าจะปั้นเทวดาให้คนบูชากันจริงก็ควรปั้นเทวดาที่มีอยู่จริงในพระไตรปิฎกเช่นเท้าสักกะหรือพระอินหรือแม้แต่ปัญจสิกาเท พ, พบรตรซึ่งเป็นนักดนตรีสวรรค์ที่คนทางดนตรีควรจะพิจารณากราบไหว้ท่าน มากกว่าการกราบไหว้เทพนอกศาสนาเหมือนที่ทำกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับในเรื่องของเทพนอกศาสนาบางท่านนั้นถ้าเข้าใจจริงก็อาจไม่ได้ส่งผลเสียอะไรมากนักอย่างเทพแห่งศิลปะงานบันเทิงการร้องรำทำเพลงหรือการวาดรูปนั้นความจริงเป็นสมมุติเทพที่ท่านตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของบรมครูเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่คิดค้นวิชาและสืบทอดต่อกันมา เดิมทีท่านไหว้เพื่ อ, อ, อเคารพระลึกถึงพระคุณเท่านั้นแต่ปัจจุบันก็กลายเป็นงมงายไหว้เพื่อขอพรเพื่ออยากได้สิ่งที่ต้องการ